พระธรรมเทศนาแผ่นที่72ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24พิพฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าฤาษีสอนลูกชายเมื่อวาน หลวงพ่อฉันจังหารเสร็จแล้วก็ไปจังหวัดเลยนั่งรถไปจังหวัดเลยไปถึงเกือบเที่ย ง, งคืองานพระธานเพลิงศพของอดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยแล้วก็ท่านเป็นที่ปรึกษาท่านดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยมรณาภาพเมื่อก่อนเข้าพรรษามเพิ่งพระราชทานเพลิงเมื่อวานนี้เริ่มพิธีตั้งแต่บ่ายโมงมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวัชรรัฐวัดปวบวันเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงแล้วก็มอมหลวง สรารีกิตยากรหมอ่อมน้ำพึ่งที่เป็นน้องสาวของพระ อ, องค์สมเป็นประธานฝ่ายครวาะเมื่อวานเป็นเชื่อว่าพีน้องประชาชนจัดทาญาติโยมมากพอสมควรแต่พระทราบ ว, ว่าพระประมาณแปดร้อยแปดร้อยรูปถ้าจะเปรียบเทียบกับองค์ของ งานของหลวงปู่จามของเราพระบอกว่าประมาณเท่าไหรแปดพันแปดพันจนลืมจดเลยมันมากถลักเข้ามาเมื่ออ ง, งานจดไม่ไหวคงจะเขาเป็นหมื่นมั้งเหมือนกับองค์หลวงตาหลวงตานหมื่นกว่าของหลวงปู่จามกันน่ะพอจด พ่อเขามาได้่แปดพันกว่าจดไม่ไหววันสุดท้ายมาทุกคนทุกแห่งพระมากคนก็เป็นแสนงานองหลุงปูจามนะแต่เมื่อวานก็ไม่ไม่มากถึงขนาดนั้นเพราะท่านเป็นฝ่ายฝ่ายปริยัติโดยมากทั้งกรรมฐานทั้งอิสานของเราเนี่ยถ้าเป็นครูบาอาจารย์เก่าแก่ดึกดำบรรณ พวกลูกหลานคณะสิทธิ์จะลุมกันไปอย่างหลวงปู่จามหลวงตาแต่เมื่อวานนี้งานรู้สึกเรียบร้อยดีรู้สึกวขู่คนเข้ามามากเพราะงานพระราชเป็นงานพระราชทานเพลิงแต่หลวงพ่อก็พอเออ จนๆ น, นะผมพ่อเกิมีธุระก็เลยเข้าไปวางดอกไม้จันทร์วางฟืนไม้จันทร์ก่อน เ, อเลยออกมาก่อนอก่อนเพื่อนมากระมาแวะวัดท่นหน่อยเมื่อวานนี่ยมาพูดธุระอยู่ที่นั่นแล้วก็กลับมาวัดทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มเมื่อคืนทุ่มกว่า ภาระของพระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังแต่ถึงยังไงก็ใครพวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้ละเว้นชีวิตเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์ถ้าเป็นชาวบ้านนะก็ เผากันประชุมกันประชุมเพลิงกันไม่เวทแต่ละหมู่บ้านแต่พระเถระใหญ่ๆนานๆจะมีครั้งหนึ่งพอว่าพระน้อยพระเถระผู้ใหญ่ไม่มากแต่ขนาดนั้นก็จะไม่มีองค์ไหนที่จะละเลยความตายไปได้เพราะนั้นให พวกเราท่านท้งหลายสรุปแล้วก็คือจะทำยังไงก็คือสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้โสแหงหาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในก็คือคุณงามความดีบุญกุศลทรัพย์ภายนอกก็คือข้าวน้าโภชนาะอาหารปัจจัยสแล้วก็ให้ไปด้วยกันํสสาหรับฆราวาสญาติโยม แต่สําหรับพระสงฆ์แล้วก็ไม่จําเป็นทรัพย์ภายนอกให้มุ่งมั่นทรัพย์ภายในเพราะเราเสียสละสิ่งเหล่านั้นมาแล้วถ้าเรายังพวักพวลอยากอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมั่งมีสีสุขเหมือนคารวะเราก็ไม่ควรจะมาบวชเราก็ควรจะไปหาทางนูน้นอันนั้นคือทางหาทรัพย์อย่าคารวะอันั้นคือทางหาทรัพย์สมบัติ แต่ฝ่ายพระสงฆ์นั้นไม่ใช่หน้าที่หาทรัพย์เป็นหน้าที่หาธรรมหาศีลหาธรรมเข้าสู่จิตใจสิ่งเหล่านั้นปล่อยปาละเลยปล่อยวางแล้วจึงจะถูกเพราะนั้นให้พวกเรารู้จักการสถานที่บุคคลการของเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่เราเป็นพระ เ่เมื่อเป็นครวาสเราจะทำอย่างพระไม่ได้เราอย่างทาแบบครวาสในเมื่อเราเป็นพระเรารู้จักสถานะของพระเราควรปฏิบัติตนอย่างไรถ้าทำถูกตามเรื่องการเป็นอยู่หรือสถานะของตนเองแล้วร่มเย็นเป็นสุขนะแต่ไม่รู้จักสถานะของตนเองเป็นทุกข์นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ ในคติธรรมของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านเป็นฤาษีคงจะเป็นพอแม่บ้านตายก็ยังเหลือแต่ลูกชายก็เลยพาลูกชายเข้าไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าอยู่สองพ่อลูกพอต่อมาลูกชายก็ใหญ่พอโตขึ้นมาเป็นฤาษี แล้วก็คงจะเปลี่ยนกันวันหนึ่งคุณพ่อไปหาอาหารให้ลูกชายเฝ้ากระท่อมเฝ้าอาสมอาสมฤษีบางที่ก็ให้ลูกชายไปผู้พ่อคงจะเฝ้าอาสมฤษี อ, สอาสมเพื่อก่อไฟไม่ให้ไฟดับเพราะฤษีเขาเขาบูชาไฟแล้วก็พร้อมกัน เขาก็คงจะมีสัตว์ป่าถ้าอยู่ในป่าขนาดนั้นก็ต้องมีสัตว์ป่าอย่างพวกเราอยู่ในวัดพวกเรายัางเฝ้าสลาใช่ทำไมเฝ้าสลาเหลวลิงมันมาอลวาวัตมันมาค้นของอันนี้ก็คงจะลักษณะอย่างนั้นบางทีอาจจะมีช้างมีลิงมีสัตว์เข้ามาทําลายกระต๊อบ อาสมที่พักพาอาศัยก็ต้องมีคนเฝ้าแต่วันนั้นหุ่นพ่อไปหาผลละหมากหลากไม้ลูกชายเป็นผู้เฝ้าอาสมตอนนี้มีชาวบ้านของเขาโจรโจรผู้ร้ายไปปนบ้านพอปนบ้านเสร็จแล้วก็จับ เ, เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงพงเป็นลูกสาวพอจับมา เป็นตัวประกันนะสมัยนั้นเขามีตัวประกันเหมือนกันนะพอจับมาแล้วตอนนี้พอผู้หญิงได้โอกาสได้จังหวะหลบหนีพอหลบหนีกระเจดิดกระเจิงเข้าป่าธงพงไพไม่รู้ไปที่ไหนนะ่ะไปอมาเจอกับลือีหนุ่มที่เฝ้าอาสมแทนพ่ออยู่ในอาสมนั้น ต่นีผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีทางไปจะทำไงจะเอาตัวรอดได้ะนี่เขาก็เข้าไปเขาเคียร์ทำให้ลือสีหนุ่มเป็นแฟนเนะฮลือสีหนุ่มก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อนไม่เคยรู้จักผู้หญิงมาก่อนเหมือนกันผลในสุดก็เลยผู้หญิงกอนเมียไงกับไปด้วยไม่มีปีม่มีคุยเลยทนะ่านเลย ผู้หญิงก็ชวนหนีหนีออกจากอาสมแต่ฤาษีหนุ่มนั้นก็ยังยังยังมีน้ำใจโอ้ไปไม่ได้หรอกทำไม่ได้ลาพ่อก่อนด้ต้องบอกพ่อซะก่อนถึงยังไงไปไม่ได้ทาไม่ได้บอกพ่อก่อนยังฤาษียังมีน้ำใจฤาษีหนุ่มเพราะว่าอยู่กับพ่อแล้วจะไปหนีไปอย่างนั้นได้ยังไงพ่อจะเป็นทุกข์ขนาดไหนทาไม่ได้บอกกล่าวกับพ่อ เธอจะไปก็ไปก่อนไปไปรออยู่นู่นนูน่นไปนะผู้หญิงไม่อยากจะให้ลือสีพ่อเห็นเ็ไปหลบอยู่ในป่านะแต่นี้พ่อเขามาพ่อมาถึงแล้วพ่อเ็เลยบอกว่าลูกคุณบอกลูกชายก็บอกว่าคุณพ่อผมจะออกไปเป็นฆรวาสนะผมจะไปทามาเลี้ยงชีพแบบฆราวาสอยู่กับชาวบ้านเขาลนะพ่อ ทั้งผู้พ่อก็ไม่รู้จะว่าจะไงเห็นลูกชายแข็งแข็งขันแบบแข็งข้อแลยอย้วงั้นอะแบบไม่ยอมฟังพูดยังไงไม่ยอมฟังเลยทั้งผู้พ่อก็รู้แล้วว่ามันต้องมผีผู้หญิงหรือใครเข้ามาก็ะเลยถามถามสอบโอ้ใช่จริงๆทั้งผู้พ่อก็บอกเออลูกพ่อก็ไม่มีอะไรที่จะสั่งเสียให้ลูกนะในเมื่อลลูกไปเป็นคราวาพ่อจะให้กติข้อ คิดสี่ประการถ้าลูกถ้าลูกไปได้นำข้อคิดสีประการของพ่อไปไปเป็นฆราวาสอนะ่ะลูกจะเอาตัวรอดได้แต่ถ้าว่าลูกไม่ปฏิบัติตามที่พ่อพูเนะปเปดเนี่ยไปเป็นฆราวาสเนี่ยตกทุกข์ได้ยากนะลูกนะพ่อเ็เลยสั่งว่ามีอะไรพ่อที่พ่อจะสั่งพ่อบอกว่าหนึ่งอย่าดื่มยาพิษ สองให้เว้นเหิวหนึ่งอย่าดื่มยาพิษสองให้เว้นเหิวสามยาจมอยู่ในเปลือกตม่มที่สี่ให้เว้นอัสรพิษให้หนีหา่างจากอัสรพิษทางลูกชายก็งงเหมือนกันนะปิดสนาอย่างนี้ พ่อพูดผมไม่เข้าใจครับพ่อพูดพู ด, พดให้ชัดเจนกว่า น, นี้ได้ไหมอธิบายให้ผมฟังพ่อ่าได้ลกูกอย่าดื่มยาพิษยาพิษคือสุราของมืนเมามันมีมากเดี๋ยวนี้ทางเขาทำขึ้นมาถ้าเป็นทุกวันก็คงจะเป็นคันชา้ายาฟินเฮโรอินอย่างที่ว่าน แต่สมัยนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันมีต่ว่าดื่มยาพิษยาพิษคือท่านก็ยกสุราเป็นหลักถ้าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสตินะลูกนะไม่รู้จักดีไม่รู้จกัจกชั่วเสียหายเพราะนั้นให้ถ้าเป็นครวา่าตเองให้ถือว่านี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งอย่าไปดื่มสุราข้อที่สองให้ให้เว้นหวน เหว๋อคือท่านบอกว่าถ้าว่าเป็นผู้ชายก็คือผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็คือผู้ชายคือเหว๋อถ้าหาว่าเขาไปเจอเหวตัวนี้มันเหมือนกับพายุที่แรงกระหน่าพัดจิตใจของผู้ที่เขาไปเกี่ยวข้องโดยไม่มีสติจะทําให้ตกต่ําได้ ไม่ว่าหญิงว่าชายเพราะนั้นให้ระวังจุดนี้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะอย่าถล่มนะอย่าถล่มอย่าไปตกเหวจนก็จนเกินไปนะถ้าหาว่าเราถล่มในจุดนี้แล้วเหมือนกระลมมันพัดมันพัดปั่นลงไปแล้วลงตกไปในในเหวเหวมันขึ้นยากนะฟื้นขึ้นตัวขึ้นยากให้ระมัดระวังจุดนี้ให้มากนะลูกนะข้อที่สาม จะจมได้อยู่ในเปลือกตมเปลือกเปลือกตมก็คือความยกย่องลาบยศสรรเสริญของคู่คนถ้าติดในลาบในยศแล้วจะไปที่ไหนไม่ได้จิตใจจะจมปลักอยู่ในลาบในยศในสรรเสริญในโลกกรรม4สี่อันนี้ก็ให้ระมัดระวงังระวังตัวข้อที่หให้เว้นจาก อัศลพิษอัศพิษคำนี้ก็คือผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจเด็ดขาดอยู่ในมือถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องผู้มีอำนาจแต่มันก็ดีเมื่อเขาให้อำนาจแต่ว่าเมื่อเขาไม่พอใจเขาโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่เราเขาพร้อมที่จะบรรลัยตายได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะนั้นให้ระวัง ใ ห, ให้เว้นใ ห, ให้เว้นจากอัศ ร, รพิษนะลูกนะนี่แหละคือคำสั่งของพระโพธิสัตว์สั่งที่ท่านฤาษีสั่งลูกชายสรุปแล้วก็คือยาดื่มยาพิษยาไปให้ระวังยาไปอยู่ใกล้เหวให้ระวังเหวให้ระวังเปลือกให้ระวังตมโครนตรมที่มันจะติด ให้ระวังอสรพิษคือผู้ที่ให้อำนาจให้ยศให้อำนาจเราแต่อีกสักวันหนึ่งในเมื่อเขาไม่พอใจนะเราพร้อมที่จะปัน่นปันไหลได้อันนี้ก็ต้องระวังนะนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนไว้ในหลายแง่มุมสำหรับให้พวกเราได้ศึกษานะ ให้เป็นแนวทางสาหรับพวกเราที่เป็นกุลบุตรกุ ล, ลบุตรสุดท้ายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้คิดไว้อยู่เสมออันนี้ก็คือกระจกเงาเราจะมองข้ามไม่ได้อย่างพญาหงพญาหงไปสอนพระราชาอันนี้ก็พระโพธิสัตว์เหมือนกันพญาหงบอกว่า ขอให้พระ อ, องค์งดดื่มสุราได้ไหมเออพระเจ้าเป็นดินพ ร, พระเจ้าอยู่หัวก็วได้เออเพราะเหตุอะไรจึงให้งดพระยาวหงะบอกว่าเมื่อข้าพระ อ, องค์อยู่กับพระ อ, องค์เน่เอ่าถ้าเมื่อพระ อ, องค์ดื่มสุราอยู่พอดื่มสุราแล้วเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อขาดสติแล้วก็บอกบริวารบอกเนี่ยเอาหงตัวนี้เนะ่ะ ไปทําเป็นอาหารผัดเผ็ดมาให้เราสวยใชนะแล้วข่าพระองค์จะทํำยังไงทั้งที่ข้าพระองค์ก็เข้ามาอยู่กับพระองค์พระพุทองค์สั่งลูกน้องบริวารให้ข่าข่าพระองค์มาทําเป็นอาหารผัดเผนะ็ดเนี่ยแล้วจะข่าพระองค์จะทํำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์หยุดดื่มชุลาใชถึงยังไงยังไงก็มีการจับยั้ง พอคิดเรื่องอะไรคิดผิดคิดถูกทำทำผิดทำถูกเพราะเหตุไรเพราะมีสติสัมปชัญญะอยู่พราชาอื้ใช่มีเหตุผลอา้าวในขณะที่พยาหงอยู่ที่นี่เราจะหยุดดื่มสุราแต่พยาหงขอร้องให้หยุดตลอดไปนี่แหละอันนี้ก็คือคติธรรมอันหนึ่งเหมือนกันมาพิจนารณาดูแล้วก็ใช่คนที่ขาดสติเนี่ย ไม่รู้อันไหนควรไม่ควรขนาดมิตรสหายอยู่ใกล้ๆ ก, ก็ทำให้เสียหายได้อย่างพระเจ้าพมประทัดกำลังดื่มสุราจนมึนเมาก็มีลูกชายอยู่ในตักกำลังให้วินิจฉัยคดีความแต่ด้วยความมึนเมาใครจะห้ามได้ใช่ไหมสมัยนั้น แต่นี้ยเขาก็เอาอาหารมายกสำรับมาทั้งกันเหลือไปเฮ้วันนี้ทําไมไม่มีอาหารเลยไม่มีเนื้อเลยเหรออไม่มีพยาค่าตอนนี้เป็นวันพระนะพอว่าดนล้วนาหักคอลูกชายอยู่ในตักในผักเพาของตนเองหักคอผูอ้อ้านี่เอาไปทําเป็นอาหารมาเอามา อ, อผลที่สุดเขาก็จะทํายังไงได้พระรา ชาสั่งทำให้ตับปฏิบัติตามกับคอขาดใช่ก็ครีบเอาไปก็ไปชำแหละลูกชายของท่านทำเป็นอาหารเสร็จเรียบร้อยก็กใส่ชำรับมามาก็กินโอ้ อ, อเลสอร่อยอได้กินเนื้ อ, อพอเสร็จตกกลางคืนม า, าได้เห็นพระอาคามาเหสีเนี่ยร้องให้ฟุยไฟยฟุ ย, ฟ า, ย, ฟยฟายพอตัวเองสั่งสงเหล้าสั่งความเมาขึ้นมาแล้วก็ถาม อคคมเหสีเอา้าลูกชายของเราทำไมไม่ไม่เห็นลูกของเราอัคคามเหสีจะเห็นได้อย่างไงเพราะพระ อ, อ, องค์ดื่มเมาสุรามเมื่อวานเนี่อตอนที่พิเนกชัยคดีความบอกว่าไม่มีอาหารก็หักคอลูกชายโยนให้พ่อครัวเขาไปทำอาหาระรัวต้นก็ไปทำอาหารลูกชายก็ตายโอ้เกิดความสรดสังเวชอย่างใหญ่หลวงเลยทีนี้แต่ที่ไหนได้มันผ่านไปแล้วนะ นี่แหละอันนี้ก็คือคนขาดจะติเมื่อขาดจะติแลรทำความชั่วเสียหายได้ไดหลายอย่างถ้าเราอ่านหรือศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วก็มีแนวความคิดมากหลากหลายทีเดียวเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อลุงพ่อได้อ่านได้ศึกษามาแล้วก็มาบอกกล่าวให้กับพวกเราลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะเมื่อฟังได้ศึกษาแล้วฟังด้สิมีเหตุผลไหมแต่อย่าพึ่งเชื่อนะ หลวงพ่อพูดให้ฟังหลาอย่าเชื่อที่พูดให้ฟังนะั่ะให้ฟังเอาไว้อถ้ามันเป็นเป็นไปได้ไม่จริงไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้ามันจริงแล้วนะ่ะต้องน้อมโอปนัญิโกข้าพรเจ้าจะไม่ทําอย่างนั้นอข้าพรเจ้าจะไม่ทําอย่างนั้นมันเป็นได้จริงถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราทุกๆท่านนะอย่างที่ฤาษี สอนลูกชายเหมือนกันนะติธรรมหัวข้อมีอยู่สี่ข้ออย่าดื่มยาพิษให้ละเว้นเหิวย่าจมอยู่ในเปลือกตรมจุ่จมอยู่ในปลักในโครนในตรงอย่าใ ห, ให้ห่างจากอสรลพิษพอท่านสอนที่หลวงพ่อได้กล่าว อันนี้คืสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นกติสําหรับพวกเตือนพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ท่านพ่อโพธิสัตว์ลือสีตื่นลูกชายท่า น, นนะคําสอนเนี่ยมาเตือนพวกเราทุกๆ ท, ท่านอีกเหมือนกันนะอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาในเตืองกิเลสโลภโกรดหลงถือว่าเป็นอสสรพิษสําหรับพวกเราถ้ามีโอกาสนะ น, นะชำระกายวาจาใจของเราชาระใจของเรา ให้ออกจากโลกโกรธหลงราคะโทสะโมหะนั่นนะจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นเป็เลิศปเสริฐที่สุดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อนนี้ไปรับพร